อนาปติวานภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ 1. ภิกษุหยิบเองหรือใช้ให้คนอื่นหยิบรูปิยะตกในวัดหรือในที่อยู่เก็บไว้ด้วยตั้งใจว่าเจ้าของจะมาเอาไป 2. ภิกษุวิกลจริตสภิกษุต้นบัญญัติรูปิยะสิกขาบทที่8จบ